บทที่4โลกทิพย์นักศึกษาวิชาลึกลับทั้งฝ่ายตะวันตกและตะวันออกจะได้พบในคำภีเก่าๆทั้งหลายกล่าวไว้ตรงกันทุกเล่มถึงเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิแห่งความเป็นอยู่เหนือระดับโลกของเราขึ้นไปซึ่งเรียกรวมๆกันได้ว่าเป็นโลกทิพย์แต่คำนี้ในคำภีต่างๆกันอาจจะใช้ศัพท์แตกต่างกันไปบ้างแต่คำว่าโลกทิพย์หรือ AS อสโทรเพลนดังที่กล่าวมาแล้วนี้ดูจะเป็นที่นิยมใช้กันเป็นส่วนมากและหมายความถึงภูมิแห่งความเป็นอยู่ที่อยู่เหนือโลกวัตถุของเรานี้ขึ้นไปแต่ก็ยังต่ำกว่าภูมิชั้นสูงมากซึ่งเราไม่สามารถจะบรรยายสภาวะได้ด้วยคำพูดของเรานี้เลยภูมิชั้นสูงมากเหนือคำบรรยายของเรานี้ได้แก่สป i เรชุอ l เพลนซึ่งในที่นี้ อาจจะเทียบได้กับภูมิที่เป็นชั้นพรมท่านกล่าวว่าภูมิชั้นสูงหรือชั้นพรมนี้มีสภาวะที่จิตใจของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆนี้จะคิดไม่ถึงเลยทีเดียวคือว่าถึงจะคิดฝันและเดาหรือหาเหตุผลอย่างใดๆก็คงจะไม่มีทางถูกต้องกับความเป็นจริงได้เลยแต่ครั้นมาในสมัยปัจจุบันนี้นักเขียนชาวตะวันตกบางคน ใช้คำว่าโลกทิพนี้ในความหมายที่จำกัดลงไปอีกคือใช้ความหมายถึงโลกทิพขั้นต่ำเป็นส่วนหนึ่งของความหมายเดิมเท่านั้นเองคือหมายถึงส่วนของโลกทิพที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์และเป็นสื่อกลางระหว่างโลกทิพชั้นสูงเหนือตนขึ้นไปเรื่องการใช้คำมีในย่กต่างๆกันเช่นนี้จึงทำให้เกิดความสับสนขึ้นได้ในบางครั้ง แต่สำหรับในหนังสือต่อไปนี้ข้าพเจ้าใช้คำว่าโลกทิพย์ให้มีความหมายเช่นเดียวกับข้อความที่ใช้อยู่ในคำพีโบราณคือหมายถึงโลกทิพย์ทั้งหมดที่อยู่เหนือโลกขึ้นไปแต่ต่ำกว่าชั้นพรมลงมาทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องยากแยะให้มากอย่างมีฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดความฟั่นเฟือแก่ผู้ที่ยังไม่เคยชินต่อหลักวิชาทางนี้ด้วย โลกคิปนี้ประกอบได้ภูมิใหญ่และน้อยเหลือที่จะกรนานับได้และแต่ละภูมิน้อยและภูมิใหญ่นั้นก็ยังมีแบ่งย่อยออกไปอีกนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันมีความหยาบและละเอียดแตกต่างกันไปเป็นลําดับนับตั้งแต่ที่หยาบมากขนาดที่เกือบจะเป็นวัตถุเช่นเดียวกับโลกมนุษย์อยู่แล้วจนกระทั่งถึงที่ละเอียดมากจนเกือบจะเป็นชั้นพรมอยู่แล้วในภูมิทิพชั้นต่ํานี้เอง ที่เป็นที่ปรากฏของสิ่งที่เราเรียกว่าปาฏิหาริย์ทางวิญญาณต่างๆที่เรารู้เห็นกันอยู่เป็นส่วนมากแล้วเช่นการมีตาทิพย์การมีหูทิพย์การรู้ความคิดของผู้อื่นการพยากรณ์ได้จับต้องสิ่งของเป็นต้นพวกผีปีศาจที่ปรากฏกายที่เราเห็นในที่ต่างๆหรือพวกวิญญาณที่ล่องลอยผเอกอนไปปรากฏตัวแก่คนบ้างหรือแก่สัตว์บางชนิดเช่นสุนัขเป็นต้นบ้าง ก็อยู่ในภูมิชั้นต่ำเหมือนกันและภูมิทิพย์ที่อยู่ในระดับนี้บางภูมิก็จะมีกายทิพย์ของคนที่ยังไม่ตายเดินทางไปมาเพื่อทำกิจการบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นปในระหว่างฝันก็ได้หรือบางครั้งก็ในระหว่างที่มีการทรงวิญญาณหรืออาจจะเป็นในกรณีที่บุคคลผู้นั้นตั้งจิตถอดกายทิพย์ออกไปท่องเที่ยวอยู่ชั่วราวก็ได้ แสงเรืองที่ถือกันว่าเป็นรังสีหรือออร่าของมนุษย์คือที่แปล่งออกมาจากร่างกายมนุษย์ทุกคนนั้นก็แสดงปรากฏการออกในภูมิบางภูมิที่อยู่ในระดับขั้นต่ำขั้นนี้เหมือนกันภูมิขั้นต่ำนี้บางภูมิเรียกว่าภูมิแห่งพลังจิตเพราะเป็นที่ที่แสดงออกของปรากฏการทางจิตในภูมิระดับนี้บางภูมิก็จะมีสิ่งที่เรียกกันว่ารูปร่างแห่งความคิด คลื่นแห่งความคิดเมฆหมอกแห่งความคิดเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะลายเห็นได้ในภูมินี้ว่าแผ่ซ่านออกมาจากจิตใจของบุคคลผู้คิดนั่นเองกระแสหรือคลื่นแห่งความคิดนี้จะเดินทางไปมาในภูมิระดับนี้พร้อมกับทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่ความคิดและอารมณ์ของผู้อื่นที่มีลักษณะเดียวกันคือมีช่วงคลื่นใกล้เคียงหรือเท่ากัน ซึ่งเมืเป็นเช่นนี้ก็อยู่ในภาวะที่สามารถจะส่งหรือได้รับอิทธิพลจากกระแสความคิดและอารมณ์ประเภทเดียวกันได้โดยง่ายเรื่องนี้จะขอกล่าวแต่เพียงผ่านๆไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะได้มีการบันทึกไว้โดยละเอียดแล้วในหนังสือเล่มอื่นซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันนี้ภูมิแห่งโลกทิพย์ซึ่งจะอยู่ในระดับนี้บางภูมิเป็นสถานที่ คือสภาวะที่ไม่สมควรจะไปดูหรือเยี่ยมเยียนเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกจิตไว้แล้วอย่างมั่นคงและผู้ที่ศึกษาวิชาลึกลับที่มีความชำนาญในเรื่องนี้ดีก็ไม่ค่อยอยากจะเกี่ยวข้องกับภูมิเหล่านี้นักนอกจากนั้นยังได้แนะนาผู้ที่ศึกษาค้นคว้าในทางนี้ให้พยายามหลีกเลี่ยงเสียให้ห่างไกลเช่นเดียวกับที่เราหลีกเลี่ยงสถานที่อันสโครก และเต็มไปด้วยเชื้อโรคในโลกมนุษย์ฉะนั้นมีบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยต้องเสียคนไปเพราะได้ไปเกี่ยวข้องกับภูมิอันต่ำช้าชนิดนี้เข้าโดยที่ตนยังไม่มีความรู้และการป้องกันตนเองได้อย่างเพียงพอความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นความเสียหายและอันตรายทั้งแก่ทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะตนได้ หรือส่งปรับกระแสคลื่นแห่งความคิดของตนให้เข้ากับกระแสคลื่นของภูมิเช่นนี้เข้าด้วยความไม่รู้เท่าถึงการภาษิตโบราณมีอยู่ประโยคหนึ่งว่าคนโง่แสดงความกล้าเข้าไปในที่ที่ซึ่งแม้แต่เทวดาก็ไม่ปรารถนาเข้าไปก็หมายถึงความจริงข้อนี้เอง เรื่องผีหลอกในบรรดาภูมิทิพย์ขั้นต่ำเหล่านี้บางภูมิก็เต็มด้วยกายทิพย์ของมนุษย์ที่ละโลกนี้ไปแล้วบางคนที่ยังมีจิตห่วงใยอะไรในโลกมนุษย์อยู่นอกจากนั้นในภูมินี้ก็ยังมีเศษหรือซากของชีวิตมนุษย์ที่ไม่มีวิญญาณครองแล้วล่องลอยไปมาอยู่ชั่วระยะหนึ่งทั้งนี้เพราะว่า ยังมีเศษแห่งความอาลัยของผู้เป็นเจ้าของที่ยังห่วงโลกมนุษย์อยู่และในเวลาเดียวกันก็ไม่มีพลังอื่นที่จะดึงดูดมันให้ขึ้นไปยังภูมิสูงขึ้นไปกว่านั้ น, นเรื่องนี้ดูเพิ่มเติมโดยละเอียดได้ในบทที่1ิจจึงเป็นเรื่องที่น่าสังเวชเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลผู้รู้เท่าไม่ถึงการเป็นจำนวนมากยินดีคบหาสมาคมกับวิญญาณคือกายที่ ของพกทั้ทงทั้งที่กล่าวได้ว่าสมัยเมื่อบุคคลประเภทนี้ยังมีชีวิตครองกายเนื้ออยู่นั้นเขาจะไม่ยอมสมาคมด้วยและนอกจากจะคบหาสมาคมกันแล้วบางครัง้งยังอุตส่ายยกย่องเชื้อเลือดลอยฟ้าว่าเป็นเทวดาบ้างเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์บ้างการที่มีบุคคลบางจำพวกแสดงอาการรังเกียจในเรื่องการติดต่อวิญญาณ ที่กระทํากันในห้องทรงวิญญาณบางแห่งนั้นก็เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งในเมื่อคํหนึ่งว่าการทรงวิญญาณดังกล่าวนั้นได้เป็นการดึงดูดวิญญาณที่ต่าช้าและเลวสามมาคบหาสมาคมด้วยโดยความไม่รู้เท่าถึงการแท้ๆวิญญาณชั้นต่ําเหล่านี้เมื่อได้โอกาสมาติดต่อกับมนุษย์ในห้องทรงวิญญาณได้ก็เลยคุยโม้โกโหกสงเดชอ้างว่า ญาติหรือมิสหายของบุคคลผู้เชิญมาส่งไปเลยเรื่องนี้เองที่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นเรื่องผีหลอกอย่างแท้จริงสวรรค์และนรกจัดภูมิที่ยาและต่ำเหล่านี้ เราก็จะเข้าถึงภูมิที่สูงและละเอียดมากขึ้นเป็นลำดับซึ่งจะเป็นภูมิของวิญญาณของผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วผู้มีจิตใจสูงขึ้นไปความละเอียดสูงขึ้นนี้จะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเมื่อเราผ่านภูมิน้อยภูมิใหญ่ตลอดจนถึงภูมิย่อยๆอันมีอยู่นับไม่ถ้วนดังกล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วเราก็ขึ้นหรือเข้าสู่ภูมิที่สมควรจะเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ซึ่งปรากฏอยู่ในคมภีโบราณ ของศาสนาต่างๆและเมื่อมีภูมิที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ก็ย่อมจะต้องมีภูมิซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนรกเช่นเดียวกันในภูมิประเภทหลังคือที่เรียกว่านรกนี้เองจะเป็นที่อยู่ของกายทิพย์ของบุคคลผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วซึ่งมีจิตใจและอัถยาศสยตามซามเหมือนสัตว์เดรัจฉานมากกว่าที่จะเหมือนกับคน บุคคลเหล่านี้ได้ถูกแรงกรรมของเขาที่ได้กระทําไว้ในโลกมนุษย์ส่งให้มาอยู่ที่นี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อมารับใช้ผลกรรมของตนไปจนกว่าจะสิ้นกรรมอันนั้นอย่างไรก็ตามสภาวะของภูมิที่เรียกว่านรกนี้ก็ม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอยู่เช่นนั้นชั่วนิรันดรสาหรับวิญญาณหรือกายทิพย์ของคนหนึ่งหนึ่งทั้งนี้เพราะเมื่อการล่วงไปล่วงไป กายทิพที่เสวยกรรมและใช้เวรอยู่นั้นก็อาจมีช่องได้โอกาสที่จะทำการแก้ตัวคือสามารถเลื่อนขึ้นมาเสวยกรรมในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมขึ้นอีกเล็กน้อยตามสมควรในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่มีกล่าวถึงเรื่องไฟชำระอยู่ก็มีเขาว่าหมายถึงภูมิเช่นนี้ดังจะเห็นได้ในบทละครนั้นมีชื่อเสียงเรื่องแฮมเล็ต ซึ่งในเรื่องนี้ปีศาจของบิดาของแฮมเล็ตได้กล่าวว่ากรรมเลวซามอันเราทำไว้ในโลกมนุษย์ได้ถูกเผาให้หมดไหมและได้มีโอกาสถ่ายถอนคืนไปในที่นี้ซึ่งทั้งนี้ย่อมไม่ได้หมายความถึงไฟในโลกมนุษย์นี้แต่หมายถึงไฟอันเกิดจากความทรงจำและความสำนึกผิดในหนหลังซึ่งทรมานใจเสมือนไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลา กล่าวโดยสรุปก็คือในภูมิมันกว้างขวางและลึกซึ้งอย่างมหาศาลที่เรียกรวมๆกันไปว่าโลกทิพย์ทั้งหลายนี้จะมีลักษณะหรือสภาวะดังที่บรรยายไว้ในคำพีทางศาสนาส่วนมากอยู่จริงๆส่วนที่แตกต่างออกไปก็จะมีเป็นส่วนเปลีกยย่อยหรือรายการละเอียดบางอย่างอันที่จริงกล่าวได้ว่าแนวความคิดเรื่องสวรรค์และนรก ตลอดจนถึงการบรรยายต่างๆดังที่ปรากฏอยู่นั้นไม่ได้เกิดจากความเมืองเอิญมาเหมือนกันเข้าโดยอาศัยความคิดฝันเลยแต่เป็นเรื่องที่เกิดจากความสามารถของบุคคลบางคนในบางชาติและศาสนาผู้สามารถรับกระแสความคิดและสามารถติดต่อกันได้กับภูมิทิศ ด, ดังกล่าวลังนั้นบางภูมิดังนั้นวิญญาณของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆจึงได้เล่าเรื่องของตนของตน ให้มนุษย์ฟังตามที่ตนได้ประสบพบเห็นมาจริงๆซึ่งต่างก็เป็นส่วนหนึ่งๆของความจริงแม้จะไม่ใช่ส่วนทั้งหมดของความจริงก็ตามต่อมาข้อความเหล่านั้นจึงได้ถูกเล่าต่อกันมาและจารึกไว้ในคำพีทางศาสนาต่างๆของโลกด้วยเหตุนี้เราจึงสังเกตได้ว่าทุกชาติทุกภาษาและทุกศาสนาต่างก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมา เรื่องสถานที่ที่วิญญาณของผู้ที่ตนรักและชอบพอว่าได้ไปอยู่ณนะที่นั้นที่นั้นส่วนใหญ่ของแนวความคิดของเรื่องก็มักจะลงรอยกันได้แม้ว่าส่วนเปลี่ย่อยต่างๆจะมีผิดแผกกันไปบ้างก็ตามจากข้อความต่อไปนี้ท่านผู้อ่านจะได้ทราบว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดกันมาอย่างไรแล้วเรื่องราวเหล่านั้น สามารถลงรอยกันได้อย่างไรในแง่หลักใจความที่เป็นสาระสำคัญในที่นี้ใครขอเตือนย้ำให้ท่านผู้อ่าน ร, ระวังตัวหรือว่าระวังความคิดไว้ให้ดีอีกครั้งหนึ่งคืออย่าเลอไปคิดว่าโลกทิพย์เป็นสถานที่ที่อยู่แห่งใดแห่งหนึ่งในอวากาศเข้าเป็นอันขาดแม้ว่าโดยคาพูดในบางครั้งอาจมีความหมายเป็นทํานองนั้นก็ตามโปรดจาไว้เสมอว่า โลกทิศไม่ได้อยู่ในอวกาศไม่ได้กินที่ในอวกาศเหมือนวัตถุตามหลักการในวิชาฟิสิกส์ไม่ได้อยู่ทางทิศเหนือหรือใต้หรือตะวันออกหรือตะวันตกไม่ได้อยู่ข้างบนหรือว่าข้างล่างไม่ได้อยู่ในที่ใดในอวกาศเลยแต่ก็อยู่ได้ในทุกแห่งทุกทิศทุกด้านในอวกาศโลกทิศเป็นสภาวะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด มันมีลักษณะเป็นความสันสะเทือนในขนาดหนึ่งหนึ่งต่างกันไปและบอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนในอวกาศมิติของโลกทิปคือกาละคือเวลาหรือไทมไม่ใช่เทศะหรือสเปสเมื่อมีการใช้คำว่าแดนทินสูงบนล่างก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นการใช้คำเหล่านั้น ในแง่อุปมาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเช่นเดียวกับที่เรากล่าวว่าความสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นหรือที่ต่ำลงมาหรือความสั่นสะเทือนที่มีระดับเหนือระดับนั้นๆซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่แต่อย่างใดข้าพเจ้าขอเตือนว่าอีกครั้งในที่นี้เพื่อความเข้าใจร่วมกันในการบรรยายต่อไปในหนังสือเล่มนี้ คำว่าทิพนี้แปลามาจากคำภาษาอังกฤษว่า astro ซึ่งแปลาตามตัวว่าเกี่ยวกับดาวทั้งนี้เราอาจสืบสาวราวเรื่องถอยหลังไปได้ถึงสมัยโบราณซึ่งตามความเชื่อของคนส่วนใหญ่ก็ถือว่าเรื่องของโลกทิพนี้เป็นเรื่องที่อยู่อีกฟากหนึ่งของชีวิตซึ่งอยู่บนท้องฟ้าคืออยู่ในหมู่เมฆหรือเทีนที่มีดาวสองแสงอยู่ระยิบระยับแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ เมื่อเวลาเราจะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์เราก็มักจะแงนหน้าขึ้นข้างบนหรือชี้มือไปยังเบื้องบนเสมอเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นนิสัยเสียแล้วก็เป็นเรื่องที่ละได้ยากแม้ในปัจจุบันซึ่งเราดูดีแล้วว่าในสาลจักรวาล น, นี้ไม่มีขึ้นหรือลงหรือข้างบนข้างล่างอย่างแท้จริงเลยด้วยเหตุนี้เองคาว่าอ s t ซึ่งตามตัวแปลว่าเกี่ยวกับดาว ถึงได้มีความหมายกลายมาเป็นแปลว่าทิปไปได้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้